สวัสดีครับคุณกําลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner99 และตอนนี้คุณวิทอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่สีกันเลยครับสวัสดีครับคุณวิทสวัสดีครับพี่แจ๊คุณวิทยสบายดีนะครับตอนนี้สบายดีครับพี่เออคิดถึงมากๆเลย หายไปหลายเดือนเลยพี donc, ่หายไปหลายเดือนใช่งานยุ่งใช่มหมก็มีปัญหาสุขภาพด้วยนะโอ้นะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่รู้คุณวิทรู้ข่าวหรือเปล่านะครับเพจเพจดังเพจดังเฮียตัวตัวร้อนป๊อปคอนชีสขึ้นหน้าเพจเลยนะครับเขาเป็นแฟนรายการนะ เขาเขามีการโพสต์ไว้บอกว่าเนี่ยเขากล้ารับประกันเลยว่าคุณวิทยเซลแมนคือตโน้โคตรแซ่บเลยเยอะตัวเนี่ยเอออย่างคนเข้าไปแซวกันเยอะเลยนะฮะเออทุ่งไหนดี่ผมไม่ค่อยได้ติดตามเลยครับพอดีครับเกียบเกืบไม่รอดแล้วผมเป็นใค้หวัดสายมันใหม่จริงป้าจริงครับโอ้โหแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วใช่ไหม อ๋อหายไประมาณสองเดือนแล้วครับพี่โอเคโอเคถือว่าผ่านผ่านพ้นมาได้นะคุณคุณวินาครับมันเป็นเร็วมากกรับพี่นะเออมันถ้าไปช้าประมาณสองวันก็คงมอ่าไี่ต้องไปคิดตอเอไม่น่ะไม่น่ะไม่หน่ะนะเราผ่านตรงนั้นไปละไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นละถือว่าเรารอดพ้นละคือคนไทยทีเป็นตุ่มไข่อย่าคิดว่าเป็นไข้ธรรมดานะครับครับปวดเนื้อตรวจตัวทานพาราแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่ไม่น่าแน่ก็ให้ไปหาหมอพี่ออืถ้ามันาาช้าก็นะครับมันลงปอดลงอะไรแล้วก็มันมทำให้เสีชีวิตได้ครับถ้ามันรู้สึกว่าเป็นไข้านานผิดปกติรู้สึกโอมันไม่ไหวละเกินสามวันเนี่ยอันนี้ต้องไปหาหมอแล้วนะครันะ<อ>เออมะคุณวิทย์มาว่าก็ถึงเรื่องนี้เรื่องที่รุ่นพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟัง รถป้ายแดงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรถใต้แดงครับพี่ครับครับก็ไม่ได้เล่านานหรอกเหรอครับอ่าอย่างนี้แล้วกันครับพี่คือรถต้แดงนะครับเป็นเรื่องของพี่บีรุ่นพี่รถผมคนนี้ครับเขาไปซื้อรถป้แดงมาอืแล้วมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับรถต้แดงคันนี้ครับนะครับพี่ต้องบอกอะไรครับว่า รถต้ายแดงอันเนี้ยเป็นรถเก๋งขนาดเล็กเป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งห้าประตูนะครับผมครับเรียกที่ว่าพี่ดีเนี่ยแกเป็นเซลแมน อ, อยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเคยอยู่บริษัทเดียวกับผมมาก่อนนะครับพี่ก็แกก็ใช้รถกระบะแหละในการทำงานทีนี้บ้านแกอยู่ที่กรุงเทพแกก็จะมี แกลคนหนึ่พชื่อพิทิศแล้วก็ลูกชายชื่อหลวงบอมครับนะครับลูกแกลก็จะประมาณสักสามขวบอืแล้วจังหวะที่อแกออกทริปต่างจังหวัดแบบนี้ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปํามาที่บ้านเนี่ยมันไม่มีรถที่จะไปรับสองลูกที่โรงเรียนครับหน้าฝนด้วยอะไรด้วยอช่วงประมาณเดือนเนี่ยครับ ห, หาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยจะเล่าใ้ฟังนะครับ ก็เกิดความคิดว่าจะซื้อรถสักคันเนี่ยให้พี่ทิพย์เนี่ยขับไปส่งลูกนะครับเพราะว่ามันไม่มีรถตู้รับส่งแล้วก็เขาเรียกว่าจะเอามาร์ไซค์ไปก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรทำนองนี้นะเพราะว่าลูกแกก็ดื้ออยู่ด้วยนะครับรูปตัวของพี่ดีเองเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเล่นรถแล้วก็ชอบที่จะแต่งรถแล้วก็ ถึงจะใช้เงินครับในการเลือกซื้อรถ <c oughs> ก็ไปตกลงใจกับรถที่ห้อนี่พ <measured> ี่ด้วยราคาที่ว่าจะเปรียบเทียบราคา <c oughs> รถรุ่นเดียวกันแต่หลายสเปครับ <c oughs> มันจะมีราคาเริ่มต้นอราคากลางไล่ไปจนถึงตัวท็อ <c oughs> กแกก็จะมาดูราคาตัวเริ่มต้นอมันให้อะไรมาบ้าง <c oughs> ตัวขนาดนี้ให้อะไรมาบ้างแพงกว่านี้ กี่แสนกี่แสนมันให้อะไรมราบ้องก็สรุป่าว่าแกซื้อตัวเริ่มตน้นเพราะว่าประหยัดราคาก็สมวนราคาไม่เกินห้าแสนบาทในเงินสดนะครับแกก็ซื้อตัวนี้ขึ้น ม, มาก็ได้แถมปตีต่างๆมากมายแล้วแกก็เริ่มออกไปรับรถมาที่ก็ไปแต่งตัวแอชอบอขึ้นรถแกก็ไปติดกล้องอ ติดเครื่องเสียงติดสัญญาณกันขโมยก็ตามภาษาทั่วไปใส่ล้องแมตต์ก็ไปหาดูน้อแมกต์เก่าๆหรือวะขายตามปกติซื้อมาแต่งจากออปชั่นที่มันนึงเดิมมันต้องกลายเป็นรถที่สวยขึ้นมาอโดยงบประมาณที่ถูกครับคือไม่ต้องไปซื้อตัวที่มันแพงอก็แค่ค่อนข้ า, า ง, ขงรักรถแค่นี้คือไม่ต้องไปซื้อตัวที่มันมันตัวออปชั่นเต็มมาจากโรงงาน ่ซื้อ<ท>ตัวถูกมาแล้วไปหาอไลามือสองเอามาแต่งใช่ครัก็พวกเครื่องเสียงก็ติดตอะไรพวกนี้ครับต่างๆนานๆก็ทำไปแล้วแกก็อ่าวันรับรถก็เอารถเข้าบ้านก็ตกไปแต่งเหมืนเดิมดีๆลักษณะบ้านหญกก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วดีออืก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็จะมีเป็นหมู่บ้านจัดสรรธรรมดาเลยดีครับแล้วก็จะมีอ่า ที่จอรดรถอยู่างหน้า mm. ออืแกก็เอารถไปจอดธรรมดาปกติ mm. วันแรกไม่มีอะไรออ mm. อื่าวันลุกงขึ้นแกกับพี่ทิพย์กับลูกชายก็ขับรถไปป้ายแดงเนี่ยพีไปเจอ mm. เอาไปเจิมที่วัดเลยซึ่งก็คงจะเป็นวัดแถวบ้าแนแกเล่าให้ผม mm. ฟังนะที่หลวงพ่อเจิมไปรดน้ํามนไปหลวงพ่อก็ทักครับ โยมรถแค่นี้แรงนะไม่ธรรมดานะโยมซึ่งซึ่งผอมอก็ไม่น่าคากับพี่เพราะว่ามันรถท้ายแรงดี่มันจะแรงได้ยังไงแรงได้เด็ดไหนครับนะครับที่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากกลับมาแล้วพูนเอ ง, เองอวันนั้นพอรถมาจอดที่บ้านแกจาเป็นต้องออกทิพย์ในทางเังหวัด ก็ปล่อยให้ลูกกับเมียนอนที่บ้านแกก็ขับรถไปตาบปกติก็ไปตามที่ทำงานนุงแนีสักประมาณหกค่ํนิด<ม>ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยพี่กม็มีเสียงของแฟนแก<ม>โทรมาหาครับผอกสัญญาณกนรโมวยดัง<ม>ซึ่งมันดังไม่หยุดซึ่งกดปุ่มปิดปิดแล้วจะพักก็ดัง ปิดแล้วก็ดังปิดแล้วก็ดังเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ก็บอกเอ้ยมันระบบมันลวนหรือเปล่าหรว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผงไม่มีอะไรของมั่งอะไอย่างเ้ <c oughs> วันนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรแต่สัญญาณมันดังครับดังไปวันหลังมาก็เป็นอีกพี่เป <c oughs> ็นตัวสัญญาณในโมดดังอีกดังไม่ทราบสาเหตุทวีดังครับ <c oughs> อ่าแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับจากคลครั้งเนี้ย เรากลับไปเราไปช่างเช็กระบบดูเพราะสัญญาณที่แกติดมาก็ไม่เกินสองพันบาทบางทีเราต้องบอกก่อนอมไม่ยว่าแพงมากอ่าช่างเขไล่ระบบดูก็บอกว่าปกติอืมแต่ถ้าเกิดมันมีการกระแทกหรือว่าลถโครงเครงญญ่งหรืออะไรสักอย่างบางอ่งอาจจะทาให้ตัวเซ็นเซอร์ทํางานมหมายถึงว่ามีใครไปกระทบกระเทียมมันนะพี่อาจจะทําสัญญาณ่างได้ในมุมของช่างนะครับ ท, ที่เราติดมาแบบนี้อืม อ่าก็ไม่ดีอะไรเอาผ่านดีทีนี้อ่าคนที่ใช้รถจริงๆก็คือแฟนแกคร่ะพิี่ยก็จะขับรถอย่างเนี้ยเพื่อไปรับไปส่งลูกประจำนะครับแล้วเรื่องรถแฝงเนี่ย 58, ต้อนขาไปส่งไม่เท่าไหร่ครับแต่ถากลับเนี่ยอุงเทีรถเันติดขึ้กลับมาเนี่ยแกก็จะเอาลูกแกเนี่ยนั่งไว้ที่เบาะหลังครับนะครับ และด้านหน้าเนี่ยแกก็จะมีมคนนั่งนะครับฝั่งซ้ายแกเป็นคนครับแล้วแกก็กดตัวล็อกเบรกไว้น ะ, ะครับเติดได้เฉพาะขันหม้อข้างในเติรดไม่ได้แกต้ก็สังเกตเห็นลูกแกเหมือนคุยหรือไคล้วงขุยคนเดียวมันก็บอกว่าแล้วแกก็ซื้อขนมให้ลูกแกกินตอนเย็นนั้นลูกแกก็ไปถามกินไหมครับกินไหมครับออื เราเป็นเด็กสามหัว ค, คุณลุงไม่กินเหรอคุณลุงไม่หิวเคุณลุงใช่ครับใช่ครัว่าคุณลุงไม่กินเหรอคุณลุงไม่หิวเหรอแต <ๆ S 2> ่ก็มองไปที่กระจกหลังส่วนตัวพี่คิดก็ไม่ได้เห็นอะไรนะรแกก็งงว่าน้อ ง, องไปคุยอะไรเหมือนกัเด็กนี่ยคุยเหมือนเล่นคนเดียวหรือเปล่าอาจจะคิดนามาการอะไรเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากที่าเรื่องนี้ บจบไปหลังจากวันนั้นคืนหนึ่งวันที่อตัวพี่ดีไม่อยู่บ้านเขาก็นอนกับลูกก็สองคนนะครับแม่ลูกนอนเลยครับปรากฏว่าสัญญาณมันก็ดังมันจะชอบดังประมาณหกทุ่มี่เที่ยงคืนมันก็ดัง<อ>ใช่ครับที่มัแนแปลกคราวนี้ตัวพี่บีแต่ตัวพี่ทิ นะครับมองไปที่แม่บ้านปรากฏ ว, ว่าเห็นเงาเป็นเงาผู้ชายดีเงาผู้ชายรูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่รูปร่างพอดีดีดีเป็นผู้ชายแก่ๆคนนี้ยินอยู่ข้างรถซึ่งักก็ตกใจแกก็โทรหาแฟนแกวันนี้คนเข้ามานพี่เหมือนขโมยเข้าบ้าน嗯嗯อะไรอย่างเงี้ยทางตัวของอ พี่บีเองต้อกอยู่ไหนอยู่หเงี้ยโอ้ก็อยู่หน้าด้านหรือหน้าบ้านอย่างเงี้ยตัวพี่บีก <iem> บ็กดโทรศัพท์รรมือถือเพื่อที่จะดูกล้องวงจร <im> ปิดเพราะแกอยู่ต่างจังหวัดแต่มันสามารถดูกล้องวงจรปิดได้ครับที่ที่ร้านอะไรนะ ท, ที่ที่จอดรถแต่ บ, บีรปรากฏว่าก็ไม่เห็น <im> นะก็บอกว่าไม่มีกับเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทางพี่บีก็ยังบอกอพี่ิพย์ก็บอกว่า ยังอยู่ยังยืนอยู่ต้องหน้ามาเลยยังยืนอยู่ อ, อตรงไหนบอกประตูซ้ายแกก็บอกดูในวงจรปิดแล้วมันไม่มีครับไม่มีใครไม่มีใครนี่อาเรื่องนี้มันเงียบไปแต่ว่าตัวพี่พี่บีเนี่ยพิทิพเนี่ยไม่ไหวแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบ น, นี้ยก็เริ่มจะไม่อยู่ไม่สุขครับแล้วทุกวันพอตอนรถติดหลังจะรับลูกเขานี่ยค่ ตัวน้องบอมเนี่ยก็จะพูดเล่นกับคุณลุงคุณลุงเนี่ยแกขับไป ก, ก็แบบรงแวงหลังไป<ม>หรือว่าใจจะเสียดีครับแล้วกว่าตัพวพี่ดีจะกลับมาก็คือวันเสาร์อาทิตย์<ม>ซึ่งมันนานมากจ่ิงับม่รู้จะทำยังไงแกก็จิตตกไปเลยซึ่งแกมีความคิดว่าบอกให้ตัวของพี่ดี<ม>ไปถอดกันญานกนขโมยทิ้งไปแือแกไม่ไหวพีบ หกคุ่มืทีมไม่ต้องดังทุอที hmm. ไม่เข้าใจมันดังเลยังไงครับนะครับเกิดการก็ผ่านมาแล้วนหะจนมาถึงวันเสาร์อาทิตย์สามีก็กลับมาตัวดีกลับมาบ้านจะทำกิจ ก, กรรมร่วมงันอะไรปกติธรรมดาเพราะตกกลางคืนี้่รับมันแลกดี ตัวตอนที่ตัวของพี่บีอยู่แปลกไอ้สัญญาณงงงมันกระโหมไม่ดางตอนหกทุ่มมันไม่ยอมดังครับส่วนตัวของพี่ทิพย์เนี่ยตั้งนาฬิกาปุกไว้เลยออืคือจะให้สามีได้ยินไม่ได้ว่ามันดังนะหกทุ ม, มันดังแต่สิ่งที่มันช็อกกว่านั้นก็คือตอนตั้งน า, าริกาปลุกไปพี่อืพอตั้งนาฬิกาปลกปั๊บแกตื่นขึ้นมา ไอตัวน้องบอมมีหายไปค่ะอ่าครับหายเลยที่นอนอ่อก็เลยปลุกพี่บีครับพื่จะหาลูกชายเขาไปอยู่ไหนครับเข้าห้องน้ํำไหมเพราะว่าลูกชายนอนกับแม่เพราะว่าพ่อไม่อยู่ใช่ไหมครับอืมแล้วก็โทวพ่อมาก็นอนด้วยกันสามคนบนเตียงครับก็าพากันหานี่หาทั้งบ้านหาไม่เจอือยูทํายังไงได้กนะ็หาลูกไมเจอ ไม่รู้ลูกจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ลูกอย่างไรครับทำยังไนไม่ถูกก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูอืมอืมอืมโดยการรีลําเวลาอือสักประมาณห้าทุมกว่าเห็นตัวร้องบอมเลยพี่ลูกออกจากเตียงครับแต่ยื่นมือขวาลงไปพี่อ๋อเหมือนมีคนจูงแขนครับแล้วก็เดินลงบันไดเดินลงบันได เหมือนมีคนจูงแขนน้องลงไปใช่ครับเดินลงไปที่ลานจอดรถที่รถที่จอดพี่แนวนั้นแล้วประตูมันก็ถูกดึงแล้วเปิดออกแล้วตัวน้องบอมก็เข้าไปนั่งในรถประตูหลังซึ่งสัญญาณจราจลมันหน้าดังแต่มันไม่ดังพอเห็นกล้องมันก็วิ่งลงมาที่ อืสรุปบังบอมหลับอยู่บาะหลังจริงพี่ไปอยู่ไปนอนหลับอยู่เบาะหลังใช่บอกคุณลุงคุณลุงใจดีครับคุณลุงไม่มีเพื่อนคุณลุงอยาบอมไปอยู่ด้วยครับครับครับโอ้โหพี่รถใต้แดงแดงมาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วพี่ก็รองเป็นขั้นขนาดนี้ครับเช้ามาก็เริ่มไปหาอาจารย์ ตามสมดักต่างๆนะครับไปอาจารย์ก็อาจารย์พักมาวิญญาณอาฆาตทำเขาไว้เยอะเขาไม่ยอมฉันโทรพี่บีก็งอไอ้นี่รถป้ายแดงมันอะไรเนี่ยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาไม่ยอมอาจารย์บอกไล่ก็ไม่ไปเขาทรมานอย่างนี มันงงมากพี่คนที่ซื้อรถมาแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไปเคลียมันก็ใช่เรื่องดีมันไม่รึมันไม่อยู่กมันให้ได้เพราะเป็นหนี้ก้อนโตก็่สมควรอย่างนี้นก็ทำไมาไม่ถูกตัดสินใจขับรถกลับจากสำนักทีนี้ลูกไม่ให้นั่งหลังละ กเหลือบตาไปดูน้องบอมน้องบอมมีใครนั่งหลังไหมลูกค่ะคุณลุงนายพ่ออุอลุงยังอยู่เนี่ยอูยเด็กพูดหน้าเด็กพูดหน้ากลัวเนี่ยเออเออคุณลุงนายพ่อคุณยังอยู่ครับซึ่งแกก็ไม่สนใจนะแกก็บอกด้วยความที่ว่าสติสปางคแกแบบกอนโมโขว่าพี่แกก็สะบูดตาเลยครับ ค่อยทำหยดหยาบาต่างๆคลอายๆกว่ามึงจะเอาอย่างไงมึงต้องการอะไรอยากไหอจะเอาอะไรกูก็ได้ อ, ไอย่างนีสตาเกียววีรถเกสบัตตีซึ่งจะบอกว่าสบัตตเที่จริงสบัตตคล้ายหยาบๆแม่ ห, าหยาบอะไรสักอย่างคล้าจะเป็นตะปูนิดอย่างมันควคุมไม่ได้แล้วมันระเบิด ยังมันเสียหลักอีกหรือเสีย ง, งมงันงงอีกอลังของแกท้าทายแกควบคุมขอ่อะไรได้แกแฮกลงถองมพิวเตอร์ไปเลย ด, ดีพี่ไม่เป็นไรแต่รถแกจะแพ้ก้อนหินลอ้ลอมึลองล้อแม็กกไปรัยเด็กเด็กอะไรไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะซึ่งความที่ว่าแกก็ใจเสียก็คงใจเสียอะ ก็กลมานั่งคิดกันจะเอาอยัางไรทีนี้เขียนตัวพิธิภูษุก็แย่มากจิตใจไม่ดีเลยออืก็เลยลากรถเนี่ยเข้าอู่ไปซ่อม<ค>ก็ประเมินถ้าซ่อมไม่เท่าไหร่ทะพี่มันก็ไม่ได้ในตัวของประกันชั้นหนึ่งเพื่รับผิดชอบออือในส่วนของสีหรือทุกถึงอย่าง<ค>แต่ตัวล้อแม็กเนี่ยมันไม่อยู่ในประกันอืเพราะแกไปเปลี่ยนเองเพราะรถรุ่นนี้มันเป็นร้อกระทะก็ทราบ อาจจะล่ากวาดูแม็กที่มันกะแพร่สินไปอือพี่เชื่อไหมสิ่งที่เจ้าเห็นนะี่ในร่องแม็กซ์มันเป็นเศษคล้ายเศษเนี้ยเศษนิ้วของคนอี่ที่ยัดในร่องแม็กซ์ด้านในพี่เฮ้ยเดี๋ยวร่องแม็กมีมีเศษอะไรนะใล้ายๆแต่เล็บคนรูปนนิ้วที่ยัดอยู่ตรงประตูซ้ายด้านหลังแล้วก็เป็นเศษชิ้นคล่ใชๆกับว่า ที่เวลาแหมกูหัวเขาไปทําความสะอาดครับเขาไปขัดสีด้านนอกอย่าแต่ตัวด้านในในร่องเนี่ยเขาไม่ได้ทําครับเขาพ่นสีทับไปเลยอแล้วแกค่อยแกะออกกับพี่ที่มันแตกอเห็นเป็นนิ้วของคนออกมานิ้วเลยเหรอครับเป็นเศษนิ้วของคนมีเล็บดูเลยว่าเป็นเศษของส่วนมนุษย์ชัดเจนครับ ก็แกออกมาดูปั๊บแล้วมันก็จะเป็นรอยที่าอ่าสีที่มันพ่นทับหรือไว้มันก็จะด่างดนงั้นอย่างนี้นแกอะไรก็ถิน่นบ้างอ่อนดูงั้นอ๋อมแกอะไรพวกสนุบต้อมากันเ้อะแม็กคับคับแม็กมีอสองนี่ทําให้จะทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ชีวิตแกเกิดพังออืด้วยของราคาถูกต ร, รมันไปเหยียบอะไรมาเนี่ยครับ ดสินใจเลยพี่แล้จะเปลี่ยนแม็กยกชุดยอมคุ้มซื้อของแรงใส่เนี่ยื อ, อ่แจ๊ซเชืช่อไหมแกร้ออว่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยเจอคุณลุงเลยครับแล้วแม็กอันนั้น น, นะแม็กนั้นก็ขายดิ้นเศษเหล็กอะไรกันมันแตกมันใช้ได้แค่สามลอ้ อ, อก็ขายขายไปมันคงไม่มีใครไปซื้อใส่ อ, อืออะไร เ, เออก็ขายเข้าร้านไป แต่ล้อนี้มันแตกแต่มล้อหลังมันเสียแกก็ไม่ได้คิดว่าออีกสามล้อแกจะต้องไปนัะดูระหว่างมีเศษอะไรไหมแกไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรทั้งสิ้นครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเดี๋ยวนะคุณวินแล้วได้ถามก็บอกว่าไอ้เศษเนื้อเศษเล็บที่เขาเจอเขาไม่ทําอะไรต่อหรือเขาทิ้งไปอย่างนี้เหรอทิ้งครับเ้าทิ้งเลยครับเขาไม่มีสีสาวเราเรื่องใจนึงก็คิดจะแจ้งความแต่เขอยู่กับเราอนี่ครับ มันก็จะมีเรื่องมีราวบานปอายเรื่องอะไรหรือปิจิตรอะไรมาครับแต่ตามที่หมอผีหรือเขาพูดมาบอกว่าออวิญญาณนี่อาฆาตมากครัที่อาฆาตเหมือนโดนชนหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้สาเหตุไปถามร้านแล้วหม่เขาก็บอกเขาซื้อมครับแล้วก็จําไม่ได้เดยวซื้อมาแจกใครร้านแม่หนึ่งสองเขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ซื้อมือมาก็ทําสีวงละหกร้อยเขาบอก เี๋ยวะมันอยู่มันอยู่ตรงล่องยังไงนะคุณวิทผมนึกภาพไม่ออกร้องแมกอะด้านในอ่ะข้างหลังด้านในมันจะเป็นอข้างหลังอะอะอะอะมันมีร่องอะไรที่มันสามารถมีร่องที่สามารถบัดได้ที่ซึ่งตัวผมก็ไม่เห็นว่าใช้แมกทุกไหนเขาถ่ายรูปไว้ครับแต่ก็จินตนาการว่ามันจะเป็นแมกไลแบบไหนแบบไหนอ่องตัวตัวรถแต่เราไม่ได้เห็นด้วยที่ เขาบอกมีเศษที่เขาไปยัดอือซึ่งเห็นแค่นั้นเขาก็สังเกตแล้วว่ามันหน้าที่เกียร์ชนอะไรมาสักอย่างเพราะพระก็บอกเราว่ารถเทีลม แ, แรงระยงองซึ่งก็แปลกคออชื่อไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนก็ใช่อลที่คือพอบอกว่าโอ้โหใครจะไปคิดว่ามากับล้อมแมกะ่ะ ใครจะไปคิดว่ามันจะมีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่อยู่อยู่อยู่ในนั้นเออแต่ที่ฟังแกเล่ามันก็ไม่ได้ใหญ่หรืออะไรแกบอกว่าเป็นนิ้วเป็นเศษเล็บเป็นนิ้วแเป็นนิ้วพี่ในคำว่าแกพูดเรมึงรู้ว่าเป็นนิ้วคนเองครับแล้วมันแห้งติดอยางเงีพี่จ๊คค่ะเออคือเดี๋ยวทุกคผู้ฟังต้องต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนผมก็พูดหลายครั้งนะครับว่าไม่ใช่ว่าของมือสองจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะ นะครับมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่แล้วแต่คนเพราะว่าผมก็ใช้มือสองเหมือนกันล่าสุดผมก็เพิ่งได้แม็ก์มือสองมาแล้วก็ใส่รถไปละพอใส่ น, นี่ไงผมก็กำลังจะพูดว่าพอใส่ได้อา่าพอใส่ออกมาใช่ไหมเอามาขับได้สองวันกลับเข้าอู่แล้วรถผมเออเหมือน <c oughs> เหมือนวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันดับ กำลังจะมาจัดรายการเมื่อเมื่อเมื่อ อ, อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละมันดับมันดับแบบโอ้โชคดีมากพอดีผมจะเอารถไปล้างในร้านคาแครพอไปถึงร้านจอดรถเอ่อจอดรถผมก็เปิดกระจกถามพี่ปิดหรือยังร้านเขาปิดแล้วรถ ด, ดับพืบเลยอเออผมก็เลยต้องเรียกรถสไลดล์มันต้องรถสไลดลอ์อ่ะเพราะผมมันเป็นวอลโว่ไงเอาไปที่อู แล้วก็ไปเอารถอีกคันหนึ่งของผมที่จอดไว้ที่บ้านเนี่ยมาขับมาจาัดรายการแต่ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าแม็กนี่มันเป็นของเจ้าของอู๋ซึ่งผมมาเป็นคนจีบเขาเฮ้ยผมอยากได้มากผมอยากได้มากแลกแลกกันเออเขาก็ใช้ก่อนแต่เขาใช้ปกติแต่พอไม่อยู่กับผ ม, ผมสองสามวันเฮ้ยเออรถดับเว้ยตอนนี้อยู่ที่อู๋บางสี่งที่เขาไม่อยากให้เพราะกลัวมีอะไรหรือเปล่าครับใช้จะโรงแรมหรือกปล่าวิจัม เขาบอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้นะพี่เราหรืออะไรย่างนี้เปล่าแต่วันนั้นเขาก็ตัดสินใจให้ผมมาเองนะ่ะด <c oughs> ังคุยกันนะ่ะ <c oughs> เขาบอกเอ้ย e พี่เนี่ยจะเอาไม้เนี่ยเขาจะไปเอาไปเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เอ้ย e เอาดิเพราะว่าลายเนี้ยมันเป็นลายเฉพาะของวอลโว่ตัวนี้ไงมันเป็นของผมมันเป็นตัวเทอร์โบแล้วมันต้องใส่กับล้อตัวเนี้ย เออเขาเรียกว่าลอ้อไททันของของวอลโว่แม็กห้าหกก้านของมันนะฮะนี่ที่มีตัวอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้มากไนงะผมก็ปั่นพี่จ็คเล่นอย่างนั้นแหละเออผมก็ไม่มี<จ>ะอะไระหรอกร้มันก็ตามสาภาพของมันนะ่พะพอดีไอไอตัวจานจ่ายมันมีน้ำมันเครื่องเข้าไปมันก็เลยทำให้เครื่องสะดุดตอนนี้ซ่อมเสร็จอะไรเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพุ่งแย่ไปเอาเอออย่าปั่นดีอย่าปั่นดีอย่าปั่นดีออ ก็มานั่งคิดพรฟังเรื่องคุณวิทยนี่แหละบอกเออพูดถึงแม็กไอ้พอได้แม็กอันนั้นมารถผมคันแทนแดงเนี่ยนะมันขับดีมากถามวัดพี่บัตรกับวิวีผมขับไปภูเก็ตกันอะที่ไปเที่ยวกันมาก่อนในะช่วงสงการโอ้ขับไปสบายชิวๆเลยอย่างเงี้ยเออแต่พอเปลี่ยนแม็กอันนี้มาสองวันมัน้งเฮ้ยจะขับมาจัดรายการนี่แหละครับจะขับมาจัดรายการเลยแหละเออ ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แกะไม่แกะไม่ต้องมาให้ผมแกะลมแกะล้อไม่แกะอยู่เล้วอ <laughs> ย่าปันป่นอย่าปั่นนะครับคุณพี่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรถป้ายแดงไม่ได้มากับรถแต่มากับแม็กมือสองที่เขาไปซื้อมาใช่คนระับพี่<อ>แล้วก็หลังจากที่เขาเปลี่ยนแม็กไปเขาก็ถามกับลูกชายว่าถามน้องบอมน้องบอมคุณลุงอ่ะอืคุณลุงไม่อยู่แล้วไม่เห็นคุณลุงแล้วคเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่เขาแบบว่าอ๋อ อืมสรุปก็มันมาแหลงล้อแแมกจริงๆนี่นะครั บ, รบจะทำให้ก็เป็นเรื่องแปลกที่นํามาเล่าไปยังนะพี่ <มา S 1> นะเาคิดถึงไม่ได้มาหาโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับแวะเวียนมาเล่าคิดถึงเสียงนี้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณวิทย์นะนะเรื่องของไข้วงไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังขึ้นหลายๆอย่างเลยช่วงนี้คือเชื้อโรค ไข้หวัดไวรัสสมัยนี้มันรุนแรงมากโอ้ครับใช่ครับท้าบแล้วพี่แจครับเพจอะไรนะครับพี่ตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนป๊อปคอนชีสตัวร้อนป๊อปคอนชีอ่าพิมพ์คําว่าตัวร้อนเฮียตัวก็ได้ครับตัวร้อนน่ะของเฮียตัวเขาเขาแซวเขาแซวเขาแซวผมยังแชร์เอามาหน้าเฟซบุ๊กผมเลยแต่นานแล้วนะนานละ เออได้ลองไปดูและกันโอ้โหคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลยนะครับเออได้ได้ขอบคุณมากมากนะคุณวิทย์ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังขอบคุณมากๆครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ u b s c r i b e Channel the Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah. <laughs>